s a l a t a y dhamma ku s a l a d a s a dhamma aku s a l a a s a dham. ในช่วงนี้นะได้มนติีการได้เจริญกุศลกันฉะนั้นปริมาณเหตงการที่เราจะขับเคลื่อนทานาบรมีเนี่ยนะนะต้องใช้เจตนาเป็นตัวกระตุน้นะเป็นตัวชักนำสามประยุทธตามที่เกิดพร้อมกันตนเนะ่ให้ทำจิตของตนให้ทุกตัว ดูด้วยดูผัสสไม่ทำหน้าที่เจตนาตรวจสอบภาษาเวทนาใช่ไหมสัญญาเอกกตาชีวิตินทร์สีมราสิการวิตกวิจารหนิโมกิริยาปีติฉันทะศรัทธาสติหิริอัตปาอโลภาโภาทโสัตตะตธรมชติตาเนี่ยกายประสิทธิจิตประสิทธิ่ ตัวเจตนาจะมาตรวจสอบทุกตัวว่าเออเคลื่อนเคลื่อนทับได้อย่างถึงเราเจถึงจะระดมทานนะเจตนาโยธาทานได้ตรงนี้ต่างหากการตรวจสอบจิตในการที่จะทําให้เป็นปุพพะเจตนาทานมุนจนะเจตนาทานและอปปาราภะเจตนาทานหรืออปาราเจตนาทานโอ้ทีนี้มันเคลื่อนพลกันอย่างนี้เวลาเขาเดินกุศลกันรู้ปะ กเพื่อนเพื่อนพนกันขนาดใหญ่เลยเพื่อปาลบวัตถุเนี่ยปาลบวัตถุเนี่ยฉะนั้นวัตถุเล็กปลาลบใหญ่ปลาวัตถุใหญ่ยิ่งปลาลบใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปลองใครลองพลาเมกแมททำไปแล้วถ้ายังปลาลบยังไม่ค่อยชัดดึงประมวลมาเป็นโรงงานผลิตกุศลได้หมดเลย <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้อปาบราเจตนา เป็นอย่างนั้นฉะนั้นกรณีการการสร้างเหตุที่บริบูรณ์เนี่ยผลจึงบริบูรณ์ใช่ไหมถ้าใครรู้จักทานนกุศลอย่างที่ตถาคตรู้บุคคลนั้นที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วค่อยบริโภคเป็นไม่มีเนี่ยไปดูดีติวตะกะ เ, เนี่ยพุทธพจน์เนี่ประทับใจสําหรับบุคคลที่จะเดินทานนกุศลทานาเจตนาโยธาฐานมาก แล้วก็ศีลในขมะปัญญาในยักยันเพราะไม่รู้นั่นเองถ้าหากว่ารู้เนี่ยไม่มีเลยที่หลายท่านทั้งหลายจะไม่น้อมในการที่จะทำปุพพะเจตนาทานเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใช่ไหมคือทานกุศลจะไม่กล่อยไม่ใช่เป็นของเล่นๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นของแบบสักแต่ว่าทำใช่ไหม เพราะท่านขับเน้นระดมฉันทิธิบาตจิตติธิบาตีิมังสิธิบาทแล้วก็แล้วก็วกจิตติธิบาตแล้วก็วิมังสิทธิบาตใช่ไหยคือขับเน้นอิธิบาสนี่นแหละเป็นตัวว่าเ อ, อจะระดับต่ำระดับกลางหรือระดับประณีตเขาขับเน้นตัวนั้นเพราะว่าในส่วนจริงอะ่ะทานกุศลนี่นะทานเจตนาโยทาน ต้องออกจากตันหาได้ถึงจะถึงจะถึงเป้าหมายจึงจะประสบความสําเร็จเพราะถ้ายัางบวยังม้วนอยู่หรือว่ายัางคอเคลียอยู่กับตันหาเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะอาโลพะไม่เด่นอโลพะทานไม่เด่นจนอโลพาทาน่ะเข้ามานําหน้าแล้วเด่นเด่นได้ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละ เราท่านทั้งหลายเจตนาทานเนี่ยอโลพาทานเนี่ยชัดเจนแข็งแรงแล้วใช่ไหมไม่ติดข้องในตัววัตถุทั้งหลายแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าเหมือนอะไรเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ฉาบติดใบบัวแล้วจิตก็ไม่ฉาบติดวัตถุทั้งหลายแล้ว ไม่มองเห็นเป็นวัตถุกลามเลยเป็นวัตถุทานแม้อัจฉติกะภายในและประหิทธาไม่ต้องพูดถึงแม้ภายในยังน้อมถวายได้เลยไม่ต้องถึงพูดถึงไายนอกแล้วเงี่ยเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจมุมนี้ไหมล่ะนั่นแหละนี่เป็นอย่างนั้นนะ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 ต้องขับเน้นศีลกุศลด้วยอย่างไรเดยวไปดูรายละเอียดตรงเนี้ยนะว่าในชั้นคำสอนในทานสูตรนะที่พระพรมศาสดาตรัสตอนนั้นในภาษาริบุตรก็พาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพรธเจ้าก็ไปบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทานเช่นนั้นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้นะ ตะไปอภิวาทพระเจ้ากระถามท่านภาษารีบุบรก็พร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองยมปาเข้าไปเฝ้ า, าพระศ า, าสดาหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลแด่พระรมศาสดาพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีผลมากนะไม่มีอนิสง์มากพึงมีหรือน้อแล บอกถามเลยว่าทานแบบไหนมีผลเยอะแต่อันิี้สง่น้อยเลนะที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงมีหรือไม่เจ้าข้าถามอย่างมีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยมีมีผลมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนลยถามเป็นต้นไปตามดับว่าเออมีไหมทานสองชิ้นนี้เป็นต้นเนี้ย พระบรมศาสดาก็บอกว่าพึงมีหรือพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรทานเช่นนั้นนั่นแล่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากพึงมีมีนะไม่ใช่ไม่มีนะและทานเช่นนั้นนั่นแล่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมาก และก็มีอานิสงส์มากก็พึงมีเนี่ยนะภาษาทีบรบังค่าแต่พระองค์พูดเจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยเป็นเครื่องเป็นเหตุน่ะเป็นเหตุให้ทานกุศลเช่นนั้นแลที่บะบุคลบางคนในโลกเนี่ยให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเอออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีสำคัญมากนะ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 ไม่ใช่ทิ้งขยะนะใช่ไหมเอาขยะไปทิ้งไอ้ทิ้งแบบรังเกียจ ด, ด้ซ้ำไปขยะ บ, บางอย่า ง, งสปกปรกเรื่อยไปทิ้งเยอใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เพ ร, ะราะเรามาศสดารังเกียจบุตรและภรรยาไหมบุตรเป็นพระบุตรภรรยาเป็นที่รักของท่านไหมละ่ะเป็นที่รักแต่แต่สัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่รักยิ่งกว่า ท่านจึงสละบุตรและภรรยานั้นเราให้ของเนี่ยเราไม่ใช่ไม่รักของนั้นเรารักไม่ใช่ขยะนี่เรารักแต่โพธิใช่ไ้ยเราต้องการเป็นโพธิสัตว์นะสัตว์ผู้คล้องอยู่ในการตัดสัู้้ใช่ไหมสัตว์ที่คล้องอยู่ในโพธิเราจะคล่องอยู่ใน สัมมาสัมโพธิญาณหรือปัจเจกโพธิญาณสาวกะโพธิญาณก็เลือกเอาแต่อยังไม่ย้ายไม่ใช่ไปค่องแต่อย่าไปคนะ่องอยู่ในวัฏฏะจะาค่องในวัฏฏะก็แปลว่าสัตว์เฉยๆนะสัตว์ว่าเฉยๆท่านั้นแหละเขาแปลผู้ค่องอยู่ในวัฏฏะค้องในการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองเราจะค้องอยู่แค่เวียนว่ายตายเกิดหรือค่องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือจะคล้องอยู่ในสีกินรถสัมผัสได้ทำมาลม้มถ้าเราคล้องอยู่เราติดอยู่เรายึดอยู่เราก็เป็นได้แค่สัตวะแปลผู้คล้องที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นได้สัตวะคือผู้คล้องแล้วเอาโพธิ์ต่อหน่อยแล้วต่อหน่อยได้ไมต่อไปเนี่ยต่อชัดๆแล้วตั้งอัตยาใัยให้แรง ไม่มีใครช่วยเราได้แต่พระศาสดาช่วยเราได้เนะพระศาสดาเป็นสารณะเป็นเครื่องอนจัดภัยเราท่านทั้งหลายได้เพศอนุกิตแล้วหาได้ยากแล้วแล้วมีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสไหนอีกแล้วใช่ไม่ใช่มันหมดโอกาสนะเราจะไปรอโอกาสหน้าอย่าไปรอพรุ่งนี้ปาริญ น, นี้ อย่าไปรอเดินกุศลได้วันนี้เดี๋ยวนี้ไหมเดินได้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าหากให้ควรพิจารณาเป็นอย่างนี้นะอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้เป็นเหตุให้ทานกุศลนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสง์มากนี่ดูเดี๋ยวกล่าวผลก่อนนะ ทานเจตนาลักษคือทานคือการให้การสละนั้นเป็นลักษณะใช่ไหมโลภะสนารสังกัทานนะเนี่ยเจตนาทานเนี่ยนะเป็นต้นและวโลภะทานเป็นต้นเนี่ยเขาทําลายโลภะทาลายความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินกิจของทานอกุศลภาวะวิภาวะสัมปติปยุปทานางังหรือปัจยุปทานาก็คือว่ามีความสมบูรณ์แห่งภพชาติ และความสิ้นไปจากภพชาติเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยสร้างเหตุถผลเพราะเข้าใจคำว่าเหตุและผลชัดเจนบัณฑิตเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักผลฉะนั้นบัณฑิตจึงทำเหตุถูกจึงได้รับผลถูกเขารู้เหตุผลเราก็เป็น สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นอยู่ในฐานาะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยของพระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เรื่องสิทธิ์มีครูพระาศาสดาทักโขํานานเหตุผลนี่ใช่ไหมเราก็ต้องทักโขอย่างพระบรมศาสดาก็เหมือนกับสิทธิ์ของนายโคคาดเขายังทักโขในการชํานาญในการชำํำระโคเลยแล้วก็ต้องชํานานในการที่จะชํำระนี้ ในการเอาเราไปตั้งโรงงานบุญไว้กันเยอะหมดแล้วตอนเนี้ยเยอะหมดเลยเราสร้างกันมาไม่ใช่น้อยใะโรงงานบุญเนี่ยแต่โรงงานนั้นปิดกิจการไปก็เยอะแล้ววิจัยให้บุญไหลตลอดเวลาได้ไหมใช่ไหมปลาลบบ่อยๆคิด บ, บ่อยๆบอกว่าเราจะทําการเปิดโรงงานที่เคยเปิดมาแล้วทุกลงใช่ไหมเพื่อผลิตบุญกุศลอย่างมากมาย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 อันนั้นที่เราสละแล้วเนี่ยน้องเป็นบุญไปซะให้เรียบร้อยเลยมันเป็นที่ตั้งของบุญที้เยอะๆก็แล้วกันดีไหมก็อย่างนี้บุญเกิดแต่ว่ามีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เราเรียกบุญเกิดแต่มีโทสะเป็นบริวารแอบล้อมถ้าได้เหตุปัจจัยนักกรรมนี้ให้ผลก็เกิดเป็นมนุษย์นะแต่ได้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดี บรรยากาศแวดล้อมไม่ค่อยดีบุนมันจะเป็นแบบนี้แหละมไม่ได้นั่นกลัวจังผิวไม่สว ย, ยอาหัดคิดเองบา ง, งเรื่องนี้คือคื อ, ค, อคือการที่ว่าเรา เราทําบุญไปแล้วเนี่ยกุศลเจตนาเกิดพุ้นมาปับแล้วก็ต่อมาก็ตามได้บาปนี่เนีก็แล้วกุศลที่มีบาปแวดล้อมบาปประเภทไหนแรงเราก็จะได้เหตุปจนะนะัจจัยนั้น่ะแวดล้อมมากโอ้ยบางทีไปเกิดในสิ่งแวดล้อมมีแต่คนทะเลาะ ก, กันตั้มุมดเลยทั้งท่านี่มีโอกาสเป็นมนุษย์เนียเนี่ยที่ถนํานส่งผลในประ น, รนินด้วยกันนะตั้งแต่พ่อเลย เป็นคนขี้โกรธแม่องอะลรเป็นขี้โกรธครอบครัวนี่แหละมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพราะเราไปสร้างเหตุมาอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนั่นะมันถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลเนี่ยมันจะชัดนะเหตุผลเนี่นจะชัดอ๋อ ต้องสังเกตให้ดูเนะยว่าบางครั้งต้องระวังได้เนะี่ยเพราะปีติในโลภะกขมีปีติในมหากรุศลก็มีแยกให้ออกอ๋อตรงนี้ยังไงที่ว่าเคยยกตัวอย่างที่ว่าให้ภรรยาไปทำอาหารถวายนะ แล้วทีแรกเป็นอาหารที่หยาบๆไงแล้วก็สัมมเนรกับพระใหม่ๆก็เอาโยนทิ้งพอโยนทิ้งเบเ็ดเสร็จภริยาก็มาบอกกับสามีบอกว่าพ่อสัมมาเนรน้นน้อยทั้งหลายบวชใหม่เอาอาหารของของเราเนะี่ยโยนทิ้งหมดแล้วฝ่ายทางสามีก็บอกพ่อแม่บอกเพะพ่อก็ไปบอกว่า ก็เลยบอกแม่อย่าเสียใจนะวันนี้ท่านไม่รับทานนกกุศลของเราเพราะทานนกุศลของเราไม่ปราณีเดี๋ยวเราจะต้องทางให้ปราณีให้ได้เห็นไหมนักข้าก็เลยลงทุนเอาลูกสาวไงไปเป็นทาสไงจำได้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นนำ แม่โคมาก็มารีดนมทามอ่ะไม่โกรธกับทําให้ประนีขึ้นไปเนี่ยที่จริงๆเห็นไหมได้จนได้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกเขาคิดเป็นเนี่ ย, น, ยนะต้องคิดให้เป็ น, น่นอ๋อ บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้ทานนั้นได้เหตุได้บริบูรณ์อย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังให้ทานมีความหวังเนะมีจิตผูกพันในผลของทานคำว่าผูกพันเนี่ยในชั้นของอตถกถา ในชั้นของอัตถกถาท่านใช้คำว่าตันหุตริยะทานังการให้ที่ยิ่งด้วยความอยากในกลุ่มนี้มีจิตผูกพันในผลให้ทานใช่ไหมเขาเรียกว่าทานอากุศล น, นั่นมีอะไรแวดล้อมตันหามีตันหาแวดล้อมมุ่งการสั่งสมให้ทาน บางคนให้จริงจริงมุ่งการสั่งสมให้เนี่ยนะให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้เพราะแหมกลัวความลำบากกลัอไะเขาให้ทานก็คือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่พักแล้วก็ให้แสงสว่างเนี่ย เครองอุปกรณ์แก่สมน า, าพราหมณ์ดูก่อนสาลิบุตรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นแไหนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานหินป่า น, นี้มีไหมเนี่ยบอกมีพระเจ้าข้าภาษาริบุตรก็ตอบดูก่อนสาริบุตรการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังในทานมีจิตผูกพันให้ทานด้วยตัณหาเนี่ยนะโดยการสะสมบุญให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้ว เราจักได้ให้ผลของทานี้ญาติของเราตายไปแล้วก็จะได้ผลของทานี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแบบคิดแบบตัณหาเนาะเมื่อตายไปแล้วเขาก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจ่าตุมเส้นกรรเส้นฤทธเส้นยศมีฤทธหมดยศหมดอานาจเนี่ยนะ หมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแล้โอเข้าใจแล้วทีนี้เริ่มเข้าใจแล้วส่งไม่ถึงขีดสุดนะเขาเรียกว่าส่งไม่ติดลมบนให้ทานส่งไม่ติดลมบนตกมาอีกนิ่นตกไม่ต ก, ตกลงอบายก็ได้ มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกออกไม่ได้เพราะไม่ให้แบบเนี้ยอ่านี่ก็ลองคิดพิจารณาดูนะว่าเราเราเราเรา noun. อยู่ในกลุ่มที่เคยให้แบบประเภทนี้ไหมให้เบสเซ็ตก็มีราคาเป็นต้นมีกลุ่มของราคามีกลุ่มของทิศทิมีกลุ่มของมานะพวกนี้ทั้งนั้นแหละเป็นบริวารแวดล้อมวิ่งวนวนๆนวนนวนอยู่นี่แหละ อยู่กับโลภาแปดดวงไปไล่ดูเถอะโลพาสมนาสสีเธอเป็นอุเบกขาสสีเป็นอสังขาิกษ ส, สีเป็นสัสงขาิกษ ส, สีเป็นทิฏฐิัมปยุต์สีเป็นทิฏฐิวิประยุต์ด้ประกอบได้มาหน้าอีกสี่นี่แหละวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วในส่วนจริงก็กลับมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ลองวนวนวน นะไม่ได้ขึ้นสูงกว่ากว่าจตุมนะวิ่งหอนอย่างนี้ น, นี่วนต่ำอย่างเง้นนะเอาละนี่มีโลภะแปดใช่นี่จิตตามจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคานี่ใช่ไหมถ้าพวกนี้ให้ทานเป็นเหตุต้องรู้ไหม จิตมีราคาว่าเราให้ทานด้วยมีจิตที่มีราคาเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับกลุ่มนี้แหละมันหวังเพื่อจารุมไม่ได้หวังมากไปกว่านั้นเนาะเนี่ยในส่วนจริงก็วนกันอยู่ตรงเนี้ยจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาอันนี้รู้นะคำว่ารู้อ๋อนี่กลุ่มจิตมีราคาเนี่ยเช่นกรรมหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจก็ไหลลงมาเป็นความอย่างเนี้ย ทีนี้ก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงความเป็นสหายดังกล่าวและสิ้นกรรมเนี่ยมาสู่ความเป็นดูกรซาลส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความหวังในฐานนะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหานี่นะไม่มุ่งการสั่งสมไม่ทานไม่คิดว่าตายแล้วจะให้สวยผลทานนี้แต่ให้ทาน ด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาให้ทานก็คือการให้ข้าวให้น้ำไม้ยานดอกไม้คองหอมเครื่องรูปร้ที่นอนที่พักปทิบเนี่ยนะเครื่องให้แสงสว่างเครื่องอุปกรณ์แก่สมณาพราหมณ์ผู้ดูก่อนสารีบุตรเธอจักสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนยัยบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานี้มีหรือไม่หนออย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานบุคคลที่ ผู้ไม่มีความหวังนะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหาในผลของทานไม่มุ่งการสั่งสมไม่ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้สวยผลของทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาผู้นั้นให้ทานแล้วเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่ยังเป็นผู้กลับมามาสู่ความเป็นอย่างนี้ประการสองที่เขาเรียกว่าวีตีการทานังให้ทานด้วยความยำเกรงเอออันนี้นี่ให้แบบยำเกรงนะเนี่ยให้แบบประเภทที่ว่ายำเกรงให้ทานแบบในลักษณะที่ไม่ได้ไวหวังผลต่างต่างเลเนี่ยน้อมให้ทานอย่างเนี้ยนะ แต่ไม่ได้น้อมเพื่อเพื่อออกเห็น ไ, ไหมไม่ได้น้อมเพื่อเป็นคือไม่น้อมแบบเป็นจิตตะปริขาลังเนี่ยไม่เป็นอรังการะปริวาทานังอน่ยปริวาระธานังไม่ได้เป็นให้ทานแบบประดับตกแต่งจิตให้สูงขึ้นน่ะนะไม่ได้ประดับไม่ มาใช้คำว่าอรังการะปริวาระทานังก็คือเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตเนี่ยนะทีนี้นะตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมานะดูก่อนสาลีบุตรุกคนบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีนะ แต่ให้ทานได้คิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทํำมาทำตามวงตะกูลเนาะโอ้โหให้มาจนเราชั้นเหรนแล้วเนี่ยไม่ให้เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีเพราะเหมือนการไหว้เจ้าเนาะไหว้ไหวไหว้ไห ว, ว, ว, ว้มานี่โอ้ไม่ได้แล้วต้องทำจะเสียประเพณีนะแต่ทําแบบไม่รู้เหตุผลนะทําแบบไม่รู้เหตุผลให้ทานแบบประเภทนี้ยให้แบบตามประเพณีย ก็สักเลยว่าให้ให้ให้ไปนี่เนะี่ยอันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของท่านยา ม, มาเนะี่ยให้ข้าวน้ำเป็นต้นอะไรเนี่ยเขาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเออให้ตามประเพณีเนี่ย <laughs> เราเคยมาหมดแล้วเนี่ยที่พวกเนี้ยเนี่ย น, นี่เล่าเรื่องอดีตพวกเรานี่เนี่ยและอนาคตถ้าใครตั้งจิตไม่ถูกก็จะไปทำอย่างนี้อีกอต่อไปแต่เนี้ยดูก่อนสาลีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานได้คิดว่าปู่ย่าตายายเคยทำมาเป็นต้นนะเราก็ไม่ควรทำให้เสียไปพีนีแต่ให้ทานได้คิดว่าเราหุงหากินเองได้ แต่สมณะพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินคือไม่มีที่ทําสํำรับกับข้าวเน้อต่างประเทศเดินมากเป็นอย่างนี้เยอะเนี่ยเอาเห็นนัก บ, บวชทั้งหลายโอ้เขาไม่ได้มีหม้อไห้ใดต่งางกว่ากงั้นนเออแล้วก็ไปให้เขาเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยโอ้เราหุงหากินเราหากินได้เรามีปัญญาสแสวงหาทรัพย์แต่ท่านเหล่านี้ไม่มีปัญญาสแสวงหาทรัพย์อ ย, าาย่างนั้นเลยว่างั้นนะ เราก็เอาไปให้เราจะไม่ให้แก่สมณะ ห, หรือพรามผู้แมงหุงหากินไม่ควรและหวังนั้นดำรีและคิดอย่างนี้ก็เลยให้ข้าวให้น้เปนเบนเตอร์หลไเนี้ยอันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตน้อมว่าเออมีใจมีใจกรุณาเขาน่ยนะบอกเออเนี่ยเขาไม่เออเราไม่ทำเลยก็กลายนะ่รู้สึกาอายเือกันนะเนี่ย ่ไหมเรามีอยู่มีกินแต่ไม่ช่วยคนประเภทนี้บ้างเลยเนี่ยเขาไม่มีอยู่ไม่มีกินเป็นตะ้นจัดการเลยได้ดูซิตเลยพราอสิ้นกรรมนะสิ้นเจตนากรรมหมดกาลังของเจตนากรรมสิ้นฤทธิ์และหมดยศแล้วอายุวันหน้าสุขะพละปฏิพานหมดเนี่ยกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก ก็คือหลงนั่นแหละในอายภูมิสีมนุษย์หนึ่งเนี่ยอยู่อย่างเนี้นะดูก่อนสารีบทบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานเนี่ยเดี๋ยคิดว่าเราหุงหากินเองได้นะสำนห้หรือพรามณ์เหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่สำน้าพราผู้หุงหากินเองไม่ได้ก็ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจัะเป็นผู้จำแนกแจ ก, กทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน แต่ก่อนมีพวกอธกะฤศีวามะฤศีเอาวยามะเทวาฤศีาศาสวมิตรฤศีเป็นต้นเนี่ยคือมีฤศีเยอะในยุคเก่อนนี่นะเขาให้ทานก็คือเขาบูชามหายันกันนะ่ะนะมหายันยันโยในที่นั้นเป็นชื่อทางทานก็ได้นะเขาทํากิจกรรมแจกทานเขาทํากิจกรรมแจกทานอใหญ่ยันใน ที่ขันี้กลายเป็นอีกอย่างเนี้ตรงนี้ก็คือว่าเกิดในข้อในข้อที่สามที่บอกไปเกิดในชั้นดุสิตั้นมาจะคำว่าฮีโรตับป่าทานังให้ทานพราะละอายเพราะเพราะหีรีแล้วก็แล้วอดป่าใช่ไหมละอายแล้วก็กลัวไงกลัวกลัวเขานินทนเท้าบังใช่ไหม หรือว่าละอายใจว่าเออเรามีไม่ให้ก็ดูกันลายอยู่เนี่ยนะบุคคลเหล่านี้หวงกินเวงไม่ได้นี่คือข้อนะส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยมาจะคำว่านิรวะเสสะานังได้แก่ให้โดยไม่ให้เหลือเศษให้หมดเลยอ่ะเนี่ยอย่างนี้นะให้เหมือนแต็ตามแบบอย่างของบูชามหายันนั่นแหละให้แบบหมดเลยว่างั้นจะก็ให้ข้าวน้ำไปต้น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 ดูก่อนสารีบทบุคคลบางคนในโลกนี้ยไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะจำแนกแจ ก, กทานทำยันโยอย่างลำดับพวกฤาษีทั้งหลายเ่าเนี้ยนะแต่ครั้งก่อนและเราจะไม่ทำในกรณีงั้นน่ะแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตก็จะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจสมนัสเออทำแล้วมัน ชื่นใจอ่ะทำแล้วชื่นใจก็เราก็อันนี้มาจากคำว่าทักขินในยะทานังนะให้แก่สมัญพรามให้แกทักขินในยบุคคลให้แกทักขินในยะบุคคล แต่ให้โดยคิดว่าเราได้ให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเลื่อมสายเกิดความปิปื้มใจและสมนัสเขาก็ให้ข้าวหรือให้น้ำย่องถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปะนิมิสวสวัสดีเส้นกรรมเส้นฤทธ์เส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาความเป็นอยู่อย่างนี้อีกดูก่อนสาลีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยมีคิดว่าทัดชาจิตให้เลื่อมสาย ปลื้มใจเป็นต้นเหล่านี้ยแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ทานน่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนาะเขาก็เลยให้ยังไงเขาให้ทานก็ข้าวผ้าน้ํายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่พักประทีปและเครื่องอุปกรณ์แก่สํานักพราหมณ์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 สเสวยผลของทานนั้นไม่ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ใหทานด้วยคิดว่ามีดามารดาปุย่าตายายเคยทํามาเราได้ไม่ได้ให้ทานให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้สมณะทานเหล่านั้นหุงหากินเองไม่ได้ไม่ทานแก่ผู้ที่หวงข า, าเกินไม่ได้ไม่สมควรและก็ไม่ทานด้วยคิดว่าเรา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 เข้าเป็นสหายอันนี้เป็นเครื่องเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมนะชั้นพรหมอันเนี่ยสิ้นกรรมสิ้นฤทธ์เส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรนี้แลเป็นเหตุนี่แลเป็นเครื่อง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 ต่มาขยายค้ามข้าข้ามไปในี่นะอันแรกนั้นมาจากคำว่าตันหุตริยะทานัางการให้อันยิ่งด้วยตันหาคือปฏิพัทธจิตโตอ่ะผู้มีจิตผูกพันในผลผูกพันหรือว่าผูกพันด้วยตันหา คำว่าผูกพันนี่เป็นชื่อของตัณหาเช่นยมบาลวาัตบอกภรรยาว่าเออเราจะผูกพันกันทุกชาตินี่นนตัญหาเพราะตัณหาเป็นตัวผูกพันใช่ไหมผูกพันทีนี้พระบรมศาสดานี่ผูกสัตว์ไว้ไหมผูกผูกผูกผูกบารมีสิบไว้ในตอนไหม ตอนตอนบาเพ็ญบารมีผูกบารมีศีลอยูในตนแล้วผูกสัตว์ไว้ในตนหรือเปล่าแต่ไม่ได้ผูกได้ด้วยแต่น่ะพระองค์ผูกได้อะไรอ่ะใช่ใชเอาการุณาเป็นตัวผูกนะกรุณาประกอบได้ในจิตเท่าไหร่เท่าไหร่ดูกรุณาทีเนี่ยกรุณาสองดวงเนี่ย่าการุณาดวงนั้นดวงเนี่ยประกอบได้ในไหน หมากุศลได้ไหมหมาขุนสนแปดแล้วก็อะไรเอ้ยโลกุตระแปดหรือเอาอะไเอาที่บอกมีไหมมีไหมลูกลูกเท่าไรสิบสองรูปปาสิบสองแล้วก็อะไรอีกหมากริยามีไหมแปดนะสิบหกบวก อม่บอก น, นี่ไม็นย่สิบสองอเนี่ยเท่าไรเนี้ยบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่อ <c oughs> เออนั่นแหละยี่สิบแปดดวงถูกต้องนั่นแหละกรุณานั่นแหละ <c oughs> กรุณานี่แหละ <c oughs> แต่ต้องเป็นกรุณาในมหากุศลตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีนะไม่ใช่กรุณาชานตอนที่ท่านบำเพ็ญบารีที่เรียกว่าเป็นผู้มี กรุณานะ่ยผูกสัตว์ไว้ในตนนะผูกสัตว์ไว้ในตนเพราะพระองค์กรุณาเรากรุณาเหมือนกับบิดากรุณาบุตรเพราะผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเราจึงเป็นลูกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้านั้นเราจึงมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าสองฐานะฐานะนะคืออมิสมรดกกับธรรมามรดก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 เนี่ยได้แค่เนี้ถ้าภาษ า, า, าลิบุตรก็จะเอามารอดอกของออกมามาโหยบางคนเข้าไปหาภาษาลิบุตรก็ข้าแต่ท่านภาษาลิบุตรขอชมมรอดอกของท่านที่รับมาจากภาษาสดาโอ้ท่านเจะแจกจ่ายเต็มดูไม่หวาดไม่ไหวตื่นตาตื่นใจเราตื่นเต้นจนลืมจนลืมสร้างมารอดอกของเราเลยนะ จะหลือเราไปขอยันกลับไปไปขอมรดกพ่อกลับไปไปขอมรดกพ่อถ้าจะไปขอต้องเป็นคนดีไปขอไหมนั้นครัถ้าเราเป็นคนกายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดไปขอพ่อพ่อเขาไม่ให้บอกไม่มีเดี๋ยวจะตัดออกจากกองมรดกน่ากลัวนะใช่ไหมน่ากลัวไว้ถ้าพราะาศาสดาตัดเราออกจากกองมรดกของทาง่านยังไง อย่าให้พระศาสดาตัดเราออกจากกองมรดกใช่ไหมเพราะพระศาสดาบอกไว้ด้วยนะบอกว่าในธรรมทายาสูตรไปอ่านสรุปออกมาก็บอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าพูดอย่างเราเราก็บอกว่าลูกมรดกของพ่อมีสองอย่างคืออมิตรมรดกกับธรรมมรดกแล้วก็เสริมมาด้วยว่าธรรมมรดกของพ่อมีสองอย่างนะโลกยะมรดกกับ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 ถ้าพุทธิย่านะถ้าถอดความออกมาต้องพูดแบบนี้โยมในธรรมะทาญาทสูตรนะ่ะถอดความออกมาจะต้องพูดแบบนี้แหละไม่ผิดไปจากนี้แต่ว่าเราใช้ภาษาง่ายของเราแต่ถ้าจะเดินภาษาของพระสูตรก็ต้องเดินให้เพลราะนะอันนี้ภาษา อ, อมาเนี่ยต้องสรุปสรุปรประเด็นออกมาอย่างเงี้ยโดยตรงสรุปเนื้อเนื้อออกมาออกเป็นอย่างเงี้ยก็คือปรารถนาให้เราได้โลกุตละมรดก นั่นคือเจตนาของพ่อคือของพระพุทธเจ้าทีนี้เอาถ้าเธอได้ทำมามรดกหรือบรดกแบบไหนก็เอามาบูชาพ่อบ่อยๆไปสถานที่ประสูตรัสสรุปปรินิพานหรือไปที่พ่อประทับอยู่ะเธอมาเฝ้าพ่อเนี่ยต้องมามามาม า, มาเอาเอามาถวายพ่อให้ดูว่ายังมีมรดกเหลือไหมมีไหมล่ะ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 ต้องเจาะออกมาแกะแกะเนื้อในของสูตรออกมาเอามาบริโภคได้ให้ได้ว่าโอ้โดยใจความเนี่ยเป้าหมายคือพระองค์โดยตรงกับเราเราพุทธบริษัทแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เราก็ได้ตะหนักใช่ไหมว่าโ อ, โอ้เป็นอย่างนี้แล้วถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมอยัางยอมกิ่งการเนี่ยตั้งชมลมมาก็เป้าหมายตรงเนี้ย ถ้ามาเดาไม่ผิดใช่ั้ยเป้าหมายก็คือให้ต้องให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจมรดกของพ่ อ, อมรดกของพ่อนั่นเองต้องเป็นหัวใจของชมลมเผยแผ่ธรรมวันพุธเดําไปใช่ั้ยว่าเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายก็คือต้องการให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ได้มรดกของพ่อแต่ไม่ใช่จมอยู่ในอมิสสมรดกของพ่อเนี่ย พราะพ่อบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดตังนั้นเป็นมรดกที่ไม่ดีเจือด้วยกลิ่นคราวของกิเลสตังนั้นแต่ธรรมะมรดกมีสองอย่างนะเป็นโลกิยะมรดกกับโลกุตระมรดกเนี่ยก็แยกให้ออกก็พไปแยกศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแยกวิสุทธิเจตโลกิยะแล้วก็วิสุทธิเจตที่เป็นโลกุตระนั่นแหละไปแยกถึงนั้นเลยชัดเลยอย่างนี้ เนี่ยถ้าถ้าจับประเด็นอย่างนี้ได้แล้วโอ้เราจะบูชาถูกแะดีไหมแบบเนี้ยอย่างเงี้ยประเด็นก็คือถอดความออกมาก็เป็นแบบนี้ถ้าหาก็ดึงดึงถอดความออกมาไม่ได้นนะคำสอนเราก็ากินไม่ได้ไงเราเราก็ประพฤติไม่ได้เป้าหมายเราอยู่ตรงไหนอะเป้าหมายคือต้องเดินได้ต้องเข้าใจได้ต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหม นี่เป็นอย่างนี้เอาถ้าเป็เป็นนั่งแกะอ่านแต่ละตัวแต่ละตัวนี่เขาจะยากนะยากนะเวลาเราก็เหลือน้อยทำไงใช่ไหมเวลามันไม่ใช่น้อยคืออายุเรามันน้อยเอเขาเวลาน้อยเวลาก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่อายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยนิดน้อยนิดมาก ใช่ไหมอายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยเขาเลยเรียกเวลาเหลือน้อยอเวลามันก็อกเท่าเดิมมันใช่ไหมเวลาคืเวลาแต่เอาอายุของมนุษย์มามาเป็นตัวตัวคิดก็เลยมาคิดเรื่องเวลาอายุเราน้อยก็เลยเวลาเหลือน้อยพูดใหม่บอกอายุเหลือน้อยแต่เวลาเท่าเดิมมัง้งเนี่ยเป็นเนี่ยถ้าเราถอดความคําสอนออกมาได้นี่ เนี yeah. Yeah. ่ยเนี่ยถ้าถ้าในกรณีอย่างเงี yeah. nên, wa, ón, là, àng, yeah. Yeah. ้ยฉะนั้นถึงบอกว่าการศึกษาดีไหมดีแต่ถ้าเจาะเข้าถึงคำสอนไม่ได้มันจะวิ่งวนระวังมันจะวิ่งวนเนเดี๋ยวถ้าาวิ่งวนและยุ่งไหมเนี่ยยุ่งแหละชีวิตวุ่นเลยแัวเนี่ยแล้วก็จับทิศทางไม่ถูกเราจะเดินยังไงในชีวิตเราเนี่ย จะเดินยังไงดี